บ่ายสามโมงของวันรุ่งขึ้นพระอุดมวิทยานเดินทางไปวัดปากน้ําภาษีเจริญโดยเรือหางยาวต้องเดินจากวัดมห า, าธาตุไปขึ้นเรือที่ข้างสะพานพุทธพระเจริญรู้จักเส้นทางดีด้วยว่าเคยนั่งเรือมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสวนกุหลาบเมื่อสมัยอยู่บ้านสามกระไดที่บางแวกเรือออกจากท่าทุกครึ่งชั่วโมง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 หลังจากไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่คณะ5วัดมหาธาตุแล้วหลวงพ่อสดใช้เวลาในการโปรดญาติโยมให้น้อยลงโดยลงรับแขกชั่วโมงเดียวคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงต่อจากนั้นจะสงน้ำแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสตามที่ได้เริ่มเรียนมาจากสำนักวัดมหาธาตุเคยเดินทางไปให้เจ้าคุณโชดก สอบอารมณ์ที่คณะห้าแต่ภายหลังท่านเมตตามาสอบอารมณ์ให้ถึงที่วัดโดยมาวันเว้นวันเมื่อพระอุดมวิชยานกับพระเจริญมาถึงกุฏิของหลวงพ่อสดท่านเจ้าของกุฏิกำลังเดินจงกรมอยู่ภิกษุทั้งสองก้มลงกราบผู้อาวุโสกว่าและจึงพากันนั่งในที่อันสมควรเจ้าคุณอาจารย์พูดกับหลวงพ่อสดว่า วันนี้ผมมากับลูกศิษย์คนใหม่ครับหลวงพ่อลองดูสิครับว่าคาเห็นหน้าค่าตามาก่อนหรือเปล่าท่านพูดแบบเป็นกันเองหลวงพ่อสดมองหน้าลูกศิษย์ก็จำได้จึงบอกเจ้าคุณอาจารย์ว่าวันนี้หรือครับลูกศิษย์ทันเจ้าคุณดูเหมือนผมจะจำได้ว่าเขาเคยมาเรียนธรรมกายที่วัดนี้ แต่ยังไม่ทันจบก็กลับวัดไปเสียก่อนเลยไม่ได้ธรรมกายกลับไปด้วยพระหนุ่มจึงต้องกราบเรียนว่าได้แล้วครับหลวงพ่อผมได้ธรรมกายในรถเมลครับขาสั่นผับๆเพราะเมื่อยไม่มีใครลุกให้ผมนั่งเลยรถก็ติดเป็นชั่วโมงเพราะตรงกับเวลาสะพานเปิดแต่พอผมได้ธรรมกายคนลุกให้นั่งกันใหญ่ พระเจริญเล่าประสบการณ์ในครั้งกระโน้นอ๋อได้แล้วเรอแล้วทำไมถึงหันมาสนใจวิปัสสนาล่ะลุงพ่อสดถามลูกศิษย์เพราะผมเห็นว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถดับทุกข์ได้ครับถูกต้องคนมีปัญญาจะต้องเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริง ซึ่งไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆครับแล้วหลวงพ่อละครับเหตุใดจึงหันมาสนใจวิปัสสนากรรมฐานพระเจริญถามสมภารวัดปากน้ำเราก็เห็นอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละว่าที่จริงแล้ววิชาที่เราสอนนั้นมันช่วยญาติโยมได้เฉพาะในทางโลกคือช่วยให้เขาร่ำรวยมั่งมีสีสุข ช่วยดับทุกจรได้แต่ทุกประจําดับไม่ได้เพราะถึงพวกเขาจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขปานใดก็ยังต้องประสบกับทุกประจําคือความเกิดความแก่และความตายส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากเราปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะดับทุกประจําได้อย่างเด็ดขาด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 ภิกษุสูงวัยบอกเหตุผลแต่ถ้าหลวงพ่อเรียนจบหลักสูตรแล้วหลวงพ่อจะสอนอะไรครับระหว่างวิชาธรรมกายกับวิชาวิปัสสนากรรมฐานพระอุดมวิชยานถามพระเจริญแอบชื่นชมเจ้าคุณอาจารย์ที่พูดกับผู้อาวุโสกว่าด้วยอาการนอบน้อมมิได้ถือตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ประการใด ผมก็ยังไม่ทราบหรอกครับท่านเจ้าคุณอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้ผมอาจจะตายียก่อนเพราะอายุอานามก็มากแล้วแต่ถ้าจะดูตามความสมัครใจของผู้เรียนผมเชื่อว่าคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขคงจะเลิกเรียนวิชาธรรมกายกันมากกว่าแต่ถ้าผมพบคนมีปัญญา มองการไกลว่าจุดหมายของชีวิตมริดอยู่ที่ความมั่งมีสีสุขหลวงพ่อสดตอบคำถามโดยยึดความสมัครใจของผู้เรียนเป็นสำคัญจากนั้นการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นโดยพระอุดมวิั ย, ยาลเป็นผู้ตั้งคำถามพระเจริญนั่งสังเกตการอยู่ด้วยคำถามที่เจ้าคุณอาจารย์ถามหลวงพ่อสด จะไม่เหมือนกับที่ถามท่านทั้งนี้เพราะหลุงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนํามาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีวิชาธรรมกายนั้นก็คือสมถกรรมฐานหมายถึงอุบายทําให้จิตสงบขณะปฏิบัติจึงเกิดนิมิตเครื่องหมายมากมายการที่จะสําเร็จวิชาผู้ปฏิบัติจะเกิดนิมิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้า และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะได้อิทธิฤทธิทางใจที่เรียกว่ามโนโมยิทธิซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในทางโลกได้เช่นทำให้มั่งคั่งร่ำรวยช่วยดับทุกจอได้แต่ดับทุกข์ประจําไม่ได้ดังที่หลวงพ่อสดอธิบายวิชาความรู้ก็เหมือนดาบสองคมหากนําไปใช้ในทางที่ผิดก็ทําให้เกิดโทษได้ลูกศิษย์บางคน เรียนวิชาไปแล้วกลับไปยึดติดถือมั่นเกิดมิจฉาทิฐิคือเห็นผิดไปว่าอัตตาตัวตนนั้นมีอยู่จึงขัดกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดังนี้เป็นต้นขณะเดินจงกรมสมาธิตั้งมั่นดีอยู่หรือครับเจ้าคุณโชดกถาม ตั้งมั่นดีครับท่านเจ้าคุณเวลาเดินจงกรมผมสามารถกําหนดสติได้ตลอดเวลาที่เดินกิดไม่แลบไปหาอารมณ์อื่นเลยผู้อาวุโสตอบแม้พระอุดมวิทยาณจะอ่อนวัยกว่าท่านหลายสิบปีหากท่านก็ให้ความเคารพนบนอบในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ รครับแล้วเวลานั่งเป็นอย่างไรครับการกําหนดพองยุบชัดเจนและสม่าเสมอดีหรือไม่ครับไม่ค่อยดีครับการกําหนดพองยุบชัดเจนเฉพาะตอนแรกๆแต่พอผ่านไปสักย0สิบนาทีกําหนดไม่ได้เลยครับมันมีแสงสว่างเจดจ้าเต็มไปหมด ผมต้องทําอย่างไรกับมันครับผู้อาวุโสกว่าถามลุงพ่อต้องกําหนดครับไม่ต้องไปสนใจพองหนอยุหนอให้กําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออย่างเดียวกําหนดไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าแสงสว่างล้นจะหายไปลองทําสิครับเมื่ออาจารย์บอกอย่างนี้ลุงพ่อสดจึงปฏิบัติตามด้วยการนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง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 สมภารวัดปากน้ำทำตามเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงพระอุดมวิทยานถามอีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อเสียงสว่างหายไปหมดแล้วครับท่านเจ้าคุณการกำหนดพองยุบกาชัดเจนขอบพระคุณเหลือเกินที่กรุณาแนะนำถ้าเช่นนั้นนิมนต์หลวงพ่อนั่งต่อเถอะครับขุมห็นจะต้องลา มรืนนี้จะมาใหม่ท่านพูดกับหลวงพ่อสดและบอกกับพระเจริญว่าไปเรากลับกันเถอะอาจารย์กับลูกศิษย์จึงกราบหลวงพ่อสดสามครั้งจากนั้นจึงเดินไปรอเรือหางยาวเรือเพิ่งจะออกไปได้สักสิบนาทีจึงต้องนั่งรออีกยี่สิบนาทีขณะที่นั่งรอลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าทําไมหลวงพ่อท่านจึงเห็นแต่แสงสว่างครับ ทำไมกระผมถึงไม่เห็นเพราะท่านติดนิมิตในธรรมกายเนส่สิอย่าลืมว่าหลวงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อมาเจเริญวิปัสสนากรรมฐานนิมิตเครื่องหมายจึงตามมารบกวนส่วนเธอเมื่อได้ธรรมกายแล้วก็ไม่ได้นำไปสอนใครแล้วก็คงจะไม่ได้นามาใช้เลยลืมเลือนไป เมื่อปฏิบัติจึงไม่มีนิมิตเครื่องไม้ใดๆมารบกวนโดยเฉพาะแสงสว่างเจิดจ้าอย่างที่หลวงพ่อท่านเห็นแสงสว่างก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งใช่ไหมครับผูกแล้วแต่ก็มีเหมือนกันที่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมกายมาก่อนเพราะมาปฏิบัติวิปัสสนากลับมีแสงสว่างปรากฏในนิมิตเรื่องอย่างนี้พูดยากเพราะคนเราทากรรมมาไม่เหมือนกัน เมื่อมาปฏิบัติสภาวะธรรมที่ปรากฏจึงมีแตกต่างกันออกไปแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าอย่างไหนดีกว่ากันครับคือได้ธรรมกายก่อนแล้วมาเจริญวิปัสนาหรือว่าเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึงมาเรียนธรรมกายพระหนุ่มอยากรู้คำถามอย่างนี้เธอจะได้ไปถามวิปัสนาาจารย์คนไหนเป็นอันขาดนะถามฉันได้คนเดียว และครั้งเดียวเท่านั้นทำไมหรือครับลูกศิษย์สงสัยเขาจะตำหนิดได้ว่าเธอถามไม่ฉลาดนะสิแปลว่ากระผมถามโง่โง่ و, อย่างนั้นใช่ไหมครับนี่เธอพูดเองนะฉันอุตสาเลียงไปใช้ว่าไม่ฉลาดแทนพระอุดมวิชายานตอบยิ้มยิ้มไม่เป็นไรครับกระผมชอบพูดตรงไปตรงมา ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะลงความเห็นว่ากระผมโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะทางแถวบ้านกระผมเขามีคำพังเพย อ, อยู่บทหนึ่งว่าโง่อยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องถ้าเป็นท่านเจ้าคุณอาจารย์จะเลือกอย่างไหนครับเจ้าคุณโชดกหัวเราะหือๆแล้วจึงตอบว่าเธอหนิ้าใจหาเพื่อนนะอุตสาเอาฉันไปเป็นเพื่อนจนได้ พระเจริญจึงไหว้ผู้เป็นอาจารย์หนึ่งครั้งแล้วกล่าวว่ากระผมขอขมาลาโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะพูดจาล้อเลียนครูบาอาจารย์แต่ปากมันไวไปหน่อยท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองเลยนะครับฉันไม่ถือหรอกแต่เธอก็ควรระวังอย่าไปพูดอย่างนี้กับใครโดยเฉพาะอาจารย์แพงข้านั่นก็เห็นตรง แล้วก็ไม่คอยจะลุ่มอร่วยให้ใครเจ้าคุณอาจารย์รู้ว่าพระหนุ่มยังน้อยอกน้อยใจอาจารย์แพงอยู่ถึงกับเคยคิดจะไม่กลับมาเรียนต่อเหตุนี้ท่านจึงรับหน้าที่ดูแลและสอนกรรมฐานให้พระเจริญเส้ยเองเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ถือกระผมก็ขอคำตอบด้วยครับที่กระผมถามเมื่อตะ ก, กี้นี้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 ผู้ที่ได้สมถะแล้วมาเจริญวิปัสสนาโดยเอาสมถะเป็นบาดฐานจะสำเร็จมรรคผลเร็วกว่าคนที่ไม่ได้สมถะมาก่อนแต่ถ้าเข้ายึดติดอยู่กับสมถะจนเกินไปการปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าเข้าตาราสมถะเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาส่วนคำถามที่ว่าจเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึงมาเรียนธรรมกายนั้นเป็นคาถามที่ไม่ฉลาด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 เพราะเพิ่งจะแยกกันเมื่อสักครู่นี้เองกระบเบนจังข้าประดิษฐ์3มครั้งแล้วจึงถามท่านเจ้าคุณอาจารย์มีอะไรจะให้กระผมรับใช้หรือครับมีสิพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปชั้นเพนที่จังหวัดนนทบุรีเจ้าภาพเข้ามานิมนต์พระจากวัดมห า, าธาตุเก่ารูปมีคณะสามคณะสี่คณะหคณะละสามรูป ฉันนิมนต์มหาหนูกับอาจารย์แพงไว้พอเอินอาจารย์แพงกลับบ้านเพราะยมห่อถึงแก่กรรมก็เลยจะให้เธอช่วยไปแทนขัดข้องหรือเปล่าไม่ขัดข้องครับกระผมยินดีรับใช้พระเดชพระคุณขอบใจมากงั้นกอดเตรียมตัวนะแปดโมงครึ่งออกจากวัดไปขึ้นเรือที่ท่าพระจันทร์ เจ้าภาพเขาจะรอรับที่ท่าเรือจังหวัดนนท์ตอนคําคอยไปฟังสวดอภิธรรมศพโยมพ่ออาจารย์แพงครับกระผมจะตรงต่อเวลาไม่ให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตำห น, นิได้เลยครับพระหนุ่มรับคําแข็งขันกราบเป็นจงังคับประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกไปยังห้องของท่าน